เจด็ดตะตุตริสิกขาบทสามสิบถามทรงบัญญัตินิสักียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ออกปากขอจีวรเกินกว่านั้นจากคฤหัตชายหรือคฤหัตหญิงผู้ไม่ใช่ญาติณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉพักคีไม่รู้จักประมาณออกป่ากขอจีวรเป็นจำนวนมากในตตุตริสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐาน